ไม่มีพระพุทธเจ้าเลยนะผ่านไปพันกับไม่มีพระพุทธเจ้านี่แหละน่าคิดนะพันเจ็ดร้อยหกกับไม่ใช่เวลาน้อยๆเลยกับหนึ่งกับกระดูกเข้ากับภูเขาเวปุระเนี่ยกระดูกกองโตมป็นภูเขาเป็นพันพันลูกก็ยังไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกมีหน้าเลยฟังแต่อาสัตว์ทมกันขนาดนั้นนะนะไม่ได้ฟังอริยสัตว์เนิ่นนานผ่านไปพันสัตว์ทั้งหลายก็สั่งสมบาปอกุศลไม่ใช่น้อย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 รับอรุณเมื่อไร่ก็ระลึกเถธอว่าพระพุทธเจ้ายามที่พระองค์อุบัติเกิดขึ้นมาในโลกก็เหมือนดวงอาทิตย์ยามเช้าฉะนั้นรุ่งโรดก็ค่อยส่องสว่างท่ามกลางท้องนาภากาศพระพุทธเจ้าสิทธัตถะพระองค์นั้นบรรลุพระสัมโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเมื่อทรงย่างเทวโลกให้ข้ามโอคะนะคือเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วก็ยังโลกพร้อมทั้งเทวโลก ช่วยสรรพสัตวให้ข้ามกาโมคะทิศโขคะพะโะและอวิชโชคะพระองค์เมื่อยังโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ดับร้อนนะแสดงว่าพระองค์นั้นช่วยสรรพสัตว์ให้ข้ามช่วยสรรพสัตวให้ดับร้อนก็ทรงหลังเมฆฝนคือทำให้ตกลงนะยังเมฆฝนคือทำนี่ให้ตกลงขึ้นมา พระพุทธเจ้าผู้มีพระเดชานุภาเปรียบเทียบไม่ได้พระองค์นั้นมีอภิสมัยการตรัสรู้ธรรมครั้งใหญ่ๆประมาณสามครั้งอภิสมัยครั้งที่หนึ่งก็มีแกสัตว์ประมาณแสนโกดต่อมาเมื่อทรงลั่นธรมรมภเรีตีกลองแห่งอมะตะธรรมณพนครพีมรัฐะเนี่ยนะอภิสมัยครั้งที่สองก็ได้มีแกสัตว์90โกด ครั้งพระพุทธเจ้าผู้สูงสุดในนรชนพระองค์นั้นได้เสริงแสดงธรรมโปรดนักรงเวพาระอภิสมัยการตรัสรู้ธรรมครั้งที่สก็ได้มีแก่สัตว์จำนวน90โกดพระสิท ธ, ธาพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มีสันเนบาตการประชมพระหันตาสาวกผู้ไร้มนทินมีจิตสงบคงที่อยู่สมครั้ง นะสามครั้งมีอะไรบ้างก็คือสันนิบาตประชมุมสาวกร้อยโกดเก้าสิบโกดและ80โกดเป็นมหาสันนิบาตอันนี้การเป็นประชมุมสาวกผู้ไร้มนทินอพระพุทธศาสนาเนี่ยนะก็อย่างว่าเมื่ออุบัติขึ้นมาในโลกก็ช่วยให้สัตว์เนี่ยข้ามโอคะเนี่ยนะข้ามวัตตะข้ามพ้นสังสารทุกแล้วก็ดับโลกเนี่ยนะที่ร้อนด้วยบาปอากุศลร้อนด้วยไฟคือราคะเป็นต้นให้สงบร่มเย็น ก็มีผู้ที่ตรัสรูบ้บรรลุธรรมตามมากมายพูดถึงพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยนะเมื่อ94กับนับถอยหลังจากกัปนี้เนี่ยพระองค์เป็นดาบด์ชื่อว่ามังคล ะ, ะหลายชาติด้วยกันนะที่เป็นดาบดอย่างตอนที่เป็นสุเมศบัณฑิตเนี่ยนะท่านก็เป็นดาบดเป็นฤาษีในศาสนาพระพุทธเจ้าทีปังกอนหรือตอนที่ศาสนาพระพุทธเจ้านารทะ น, นะเมื่อหนึ่งอสงไขยกนพระ อ, องค์ก็เป็นฤาษีหรือพระพุทธเจ้าองค์ก่อนหน้านี้คือพระพุทธเจ้าอัฏฐทัศีพระ อ, องค์ก็เป็นฤาษีชาตินี้พระองค์ก็เป็นฤาษีอีก น, นะเป็นนักบวชเพราะว่าพระ อ, องค์มีเนคข ม, มัตยาสายัยมีอัตยาศัยน้อมไปเพื่อการบวชเป็นดาบดชื่อว่ามังคละนะฤาษีมงคลเนี่ยนะมีเดชสูงอันใครใพบได้ยากตั้งมั่นด้วยกาลังแห่งอภิน ญ, ญา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 รอมาตั้งนานตัวเลขค่อยลดลดลดแค่กอรนับถอยหลังเสียสงไขเนี่ยนะถอยถอยถอยถอยเหลือ9กกลับอีกไม่นานละเขาจะได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกพระตถาคตออกอภินิษกรมจากกรุงกบิลพัทอันน่ารื่นรมตั้งความเพียรรมทุกขะกิริยา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 ทรงทำประทักสินโพที่มันทัศฐานจากตรัสรุณคโคลโพพฤกชื่อวต้นอสัต t ะท่านผู้นี้มีพระพุทธมารดาพนางมายาพระพุทธบิดาพระเจ้าสุโทโธทนมีนามว่าพระโคตมะอัครสาวกพระโกลิตะและก็พระอุปติสสะผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมัน่นพุทธอุปถาชื่อว่าพระอนันทจากบำรงพรชินะพระองค์นี้ อัคราสาวิกาพระเคมาและพระอุบลวรนนาผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมัน่นโพล่เพลิกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นชื่อว่าต้นอัศธา อ, าอัครอุปถากชื่อว่าจิตตะและหัตทะหัตถกะอละวกะอัคราอุปถายิกาชื่อว่านันทมาตาและอุตตราพระโคโดมผู้มียศพระองค์นั้นมีพระชนมาายุร้อยปีนี่ยนะ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 พระองค์ครองคารวาสวิสัยอยู่หมื่นปีมีปราศาสอย่างเยี่ยมสามหลังชื่อว่าโกกาสะอุปละและโกกนุทะเนี่ยนะมีพระสนมนารี4ี่0 0นางอัครมีสีคือผนางสุมนาพระอรุรสพระอนุปะมะพระจินชินะพุทธเจ้าเห็นนิมิตสีเสด็จออกอภินศสกรมด้วยพระวอนะทรงบำเพ็ญเพียรสิบเดือนเต็มพระมหาวีระสิทธะผู้นำโลก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 กนิกาเนี่ยนะหรือต้นก น, นิกาหรือก น, นิกาอัคราอุปถาชื่อว่าพระสุปิยะและสัมพุทธอัคราอุปทายิกาชื่อว่าธรรมมาและสุธรรมมาพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นสูงขึ้นเบื้องบน60ศอกเหมือนรูปปฏิมาทองแปลว่าเหมือนพระพุทธรูปทองคําสูงรุ่งโรจน์นนะเป็นผู้รุ่งโรจน์ในหมื่นโล ก, กธาตุพระพุทธเจ้าผู้เสมอด้วยพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีผู้เสมอ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 ทรงพิราชด้วยสมบัติอันประเสริฐแล้วก็ปรินิพานก็ปรินิพานไปแล้วนะผ่านไปแล้ว94กัปเนี่ยนะไม่มีเหลือสังขารทั้งหลายพระสิทธัตถะพุทธเจ้า ว, วรามุนีปรินิพานณพระวิหารอโนมารามพระวรสถูปของพระองค์ในพระวิหารนั้นสูงสี่ยอดก็แปลพระพุทธเจ้าพระองค์ใดที่กล่าวว่าสถูปเจดีย์ของพระองค์สูงเท่าไหร่เท่าไหร่นั้นหมายความว่า พระองค์ไม่มีการอธิษฐานให้พระาธาตุกระจายอนะพระาธาตุของพระองค์จะอยู่รวมทั้งหมดเลยนะในอัตถคถามาทุรัตถาวิลาสีอธิบายว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าธรรมทธิสิปริณิพานแล้วศาสนาของพระองค์ก็อันตรธานไปเมื่อกับนั้นล่วงไปและล่วงไป1นึ่กับถอยหลังนะถ้ากล่าวนับถอยหลังจากกับนี้ไปก็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 โสมนัสสาเทวีเป็นประมุกแปลงว่าพนางเนี่ยไม่เครียดเลยอารมณ์ดีตลอดอะนะโสมนัสแปลว่าคนอารมณ์ดีใจดียิ้มแย้มแจ่มใสร่าเริงเนี่ยนะพระอนุปมะกุมารโอรสของพระนางโสมนัสสาเทวีสมพบประสูศุแล้วก็เห็นนิมิตสในวันอาสาลหะปรมีพระโพธิสัตว์ก็ออกพิเนสกรมด้วยพระวอทองเสด็จไปยังวิริยะราชอุทยานปนวด มนุษย์แสนโกรธก็บวชตามเล่ากันมาว่าพระมหาบรุษบำเพ็ญเพียรสิบเดือนกับบรรพชิตเหล่านั้นในวันวิสาขาปุรีพระองค์สเสวยเข้ามาทุปาย่าที่ทิดาพราหมีชื่อว่าสุเนตาตำบลบ้านอัสธิสพราหม์ถวายทรงยับยั้งพักกลางวันนะับป่าพุษาในเวลาเย็นพระองค์ทรงรับย่าแปดกรรมที่คนเฝ้าไร่ไรเข้าเหนียวเนี่ยนะชื่อว่าวรุณถวาย พระองค์ล่าสันทัสยญา4 2สอกประทับนั่งขัดสมาธิบรรลุพระสัพพันยุตยานแล้วพระองค์ก็เปล่งอูทานว่าอนเนกชาติสังสารังเป็นต้นพระองค์ยับยั้งอยู่บริเวณที่ตรัสรู้ประมาณเจ็ดสัปดาห์เนี่ยนะไม่ใช่เจ็ดวันนะเห็นภิกษุประมาณแสนโกรธที่บวชพร้อมกับพระองค์เป็นผู้สามารถแผงตลอดสัจจะสี่พระองค์ก็เสด็จไปโดยอากาศ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 นนด้วยพระสุรเสียงเสียงของพระพุทธเจ้าเหมือนเสียงของเท้ามหาพรหมสำเนียงเนี่ยเสนะเหมือนกับเสียงนกกระเวกร้องสบายโสดเสียงที่ไพเราะอย่างยิ่งจับใจบัณฑิตชนมันผู้ที่ได้ฟังพระธรรมคําสอนของพระองค์ก็เหมือนกับอภิเสกด้วยน้ําอมตะเพราะพระองค์ลั่นกลองอมตะธรำรเพรีย์เรียกว่าลั่นกลองประกาศอริยมรรคประกาศมัชชิมาปฏิปทาให้เขาเหล่านั้นตรัสรู้ธรรมเป็นที่ ผลทุกผลอภิสมัยครั้งที่สองก็มีแก่สัตว์เกโกธดังที่พระองค์ตรัสว่าพระสิทธะพุทธเจ้าทรงลั่นกลองธรรมในพีมรัฐนครอภิสมัยการแตสรุ ธ, ธรรมยิ่งใหญ่ครั้งที่สองก็มีแก่สัตว์เกโกดสําหรับครั้งที่พระสิทธะพุทธเจ้าแสดงพุทธวงศ์ในสมาคมพระญาสกรุงเวภาระ พระองค์ยังรรมัจจุสุให้เกิดขึ้นแก่สัตว์จำนวน90โกธนี้เป็นอภิสมัยการตรัสรู้ธรรมครั้งใหญ่ครั้งที่สามเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสว่าพระพุทธเจ้าผู้สูงสุดในนรชนพระองค์นั้นทรงแสดงธรรมอภิสมัยครั้งที่สามได้มีแก่สัตว์90โกธพระราชาสองพี่น้องนะพระนามว่าสัมภะและสุมิตะ พระราชาสององค์นีครองราชณอมร น, นครอมารานะครหรืออมร น, นครซึ่งงามหน้าดูเหมือนดังเทพนครลำดับนั้นพระสิท ธ, ธาศาสดาเห็นอุปนิสัยสมบัติของพระราชาสองพระองค์นั้นสเสด็จไปทางหน้าอากาศลมท่ามกลางอมร น, นครพระองค์แสดงเจดีคือรอยพระบาทเหมือนเหยียบพื้นแผ่นดินด้วยพระยุ ค, คลบาทซึ่งมีฝาพระหัตประดับด้วยลายจากแล้วสเสด็จไปยัง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 ที่ประชมณสุทัศนวิหารนั้นเป็นสาวกสันนิบาตครั้งที่สด้วยเหตุนั้นพระองค์จึงตรัสว่าพระสิท ธ, ธัตถะพุทธเจ้าผู้ผสแสวงคุณยิ่งใหญ่ทรงมีสันนิบาตประชมาสาวกขีนาศผูไรมนทินมีจิตสงบครั้งที่คงที่อยู่สามครั้งสถาน3เหล่านี้คือสันนิบาตพระสาวกร้อยโกรด9กโกรด80โกรดเป็นสันนิบาตพระสาวก ผู้ขี่นาศผู้ไร้มนทินสำหรับพระโพธิสัตว์ของเรานั้นเป็นพราหมณ์ชื่อว่ามังคละณกรุงสุรเสนพระโพธิสัตว์นั้นเรียนจบตรีเพศเวททางคณศาสตร์บริจาค ก, กองทรัพนับได้หลายร้อยโกฏพระโพธิสัตว์นั้นเป็นผู้มีอัธยาศัยยินดีในวิเวกบวชเป็นดาบดทธรรมฌานและอภิญญาให้เกิดอยู่พระโพธิสัตว์นั้นพอได้ทราบข่าวว่าพระเจ้า พระพุทธเจ้าพระนามว่าิทธษฐาอุบัติขึ้นแล้วในโลกพระโพธิสัตว์ก็เข้าไปเฝ้าถวายบังคมแล้วฟังธรรมกถาของพระองค์พระโพธิสัตว์เข้าไปยังต้นชมพูอันเป็นเครื่องหมายของชมพูทวีปด้วยฤทธิ์นำผลชมพูแล้วมาอาทนาพระสิทธฐาผู้ศาสดาผู้มีภิกษุบริวาร90โกรธให้ประทับณสุรเสณวิหารเลี้ยงดูด้วยผลชมพูให้อิ่มน้ำสาราญ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 พระพุทธเจ้าผู้เสมอด้วยพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีผู้เสมออันใครใครช่างไม่ได้ไม่มีใครเปรียบเทียบได้ผู้มีพระจักรสุภพระองค์นั้นทรงดำรงอยู่ในโลกแสนปีพระองค์ทั้งพระสาวกทรงแสดงพระรศมีอันไพบูญยังสาวกทั้งหลายให้บานด้วยวิมุตต์เนี่ยนะวิมุติคือสมุทเฉทวิมุติปฏิปัสัตทิวิมุมมตมินิสรณะวิมุติ นะให้ท่านเหล่านั้นงดงามด้วยสมาบัติเนี่ยนะเช่นพละสมาบัตินิโรสมาบัติเป็นต้นอันประเสริฐเสร็จแล้วพระองค์ก็เสด็จดับขันธ์ทัปรินิพานบทว่าปุพหะเป ต, ตวานะพระองค์นั้นทําให้สาวกเหล่านั้นบานด้วยดอกไม้คือชานอภิน ญ, ญามักผลและสมาบัติถึงความโสภากอย่างยิ่งข้วาวังงดงามนะแบ่งในส่วนของ คุณธรรมที่สาวกทั้งหลายเริยาด้วยสมาบัติและอภิญยาอันเป็นโลกิยะและโลกุตระได้ยินว่าพระสิทธะศาสดาสเสด็จ ด, ดับขันธปรินิพานณอโนมะราชุทยานกรุงการจนะเวลุณพระราชุทยานนั้นนั่นเองเขาช่วยการสร้างพระเจดีย์สำเร็จด้วยรัตนะสูงสี่โยตสำหรับพระองค์นั่นแลเนี่ยก็ ศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิท ธ, ธะก็หมดไปจากโลกนะปัจจุบันนี้ก็พับนะเมื่อ94กลับที่แล้วเคยมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกนะซึ่งกลับนั้นก็ล่วงเลยผ่านมา94กลับถ้าสำหรับพระโพธิสัตว์ของเราก็เชื่อว่าใกล้เข้ามาที่จะได้ตรัสรู้ธรรมนันไะนะันพวกเราทั้งหลายก็ได้เชื่อว่าได้ฟังคาสอน กล่าวถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยนะวันนี้ได้หลายพระองค์ด้วยกันมันสาหรับการกล่าวพุทธวง์ในวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ตอนท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีส่วนได้กาในการตปฏสรูธรรมตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นทุกท่านทุกคนอ น, นุมโมทนา